วันพรุ่งนี้วันพระเข้ามานิมนต์เราก็ลืมลืมมาวันพระเนี่เขานิมนต์ให้ไปฉันอยู่นู่นสาธารสุขอำเภอเนี่ยเราก็ลืมคิดว่ามันเป็นวันพระวันพรุ่ง น, นี้ไปห้าองค์ไปฉันห้าองค์ใครบ้างะบอกใครบ้างมีขุนใจมี ม า, าวนห <c oughs> มอแคนมมีบ่สวนอะไรมีเสียงอะไรสวดมนไปห้าองค์รับนิมนต์แบบนี้เราก็ไม่ค่อยรับเท่าไหร่นะส่วนมากก็มีแต่ไปวัด องสององสามองและพรุนี้วันปฏิโมกโดยพรุนี้เ่ยปฏิโมกเสร็จเราถึงได้ไ ป, ปโมกใครสวดปฏิโมกวันพรุนี้ปฏิโมกนี่เป็นสังกกรรมปฏิโมก ปฏิโมกเป็นสังฆกรรมพวกนี้ต้องมาฟังปฏิโมก พ, พร้อมเพียงกันนะพวกนี้ต้องมาฟังปฏิโมก พ, พร้อมเพรียงกันจะไปนอนลืมกันแล้วกันนะฮะ เข้าฟังปฏิโมกด้วยความพร้อมเพรียงกันก่อนที่จะเข้าฟังปฏิโมกก็ต้องบอกอาบัตเก่กันแลกกันแสดงอาบัตเก่กันแลกกันการต้องอาบัตบางอย่างอาบัตนิสกียปยิตีเนี่ยถ้าไมสระเนี่ยแสดงอาบัติไม่ตก ข้อนี้เราต้องระลึกถึงด้วยมันมีข้อหนึ่งที่ทําให้แสดงอบัติไม่ตกคือ ถ, ถือเงินถือทองเนี่ยนี่เราต้องระวังนะมีไหมมีใครถือเงินถือทองไหมในวัดเรานี่มีใครถือเงินถือทองไห ม, ม, ถ, ถ, อ ถ, อไหมถ้าถือมีอยู่ตรงๆอยู่ในย่ามในกระเป๋าเนี่ยแสดงอบัติไม่ตกนะ แสดงว่าบัตรไม่ตกแล้วเข้ามาฟังปฏิโมกแล้วก็ทำให้หมูเสียหมดที่เราต้องระวังนะพ้ะเรามีมีใครแอบถือเงินถือทองไม่มีไหมเราไม่เคยพาถือนะอย่าให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นให้มากนะ มีเงินมีทองอยู่ในครอบครองคำว่าอยู่ในครอบครองก็คืออยู่ในถุงในย่ามในกระเป๋าให้คนอื่นเก็บให้ตัวเองเนี่ยให้คนอื่นถือให้ให้คนอื่นถือให้ใหใหแต่ให้ความสาคัญว่าเป็นเงินเราเป็นเงินของของเรา ยึดถือเงินนั้นยึดถือทองนั้น่าเป็นของของเรานี่ก็แสดงอาบัติไม่ตกนะเงินทองนั้นที่ผู้มีศรัทธาเขาประารณามาเนี่ย <c oughs> ท่านให้ยินดีในของท่านให้ยินดีในของของมีอะไรละ่ะของจีวรบิณฑบาตบิณฑบาตก็หมายถึงอาหาร จีวรก็หมายถึงผ้าผ้าใช้ผ้าครองบินทบาตก็หมายถึงอาหารจีวรบินทบาทบินทบาตก็หมายถึงอาหารเสนาสนะก็หมายถึงที่อยู่ที่อาศัยอย่ารักษาโรคอยาแก้ไขเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้คือเพสัทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยสี่ ท่านให้ยินดีในปัจจัยสี่นะท่านไม่ให้ยินดีในเงินในทองที่คนอื่นเก็บไว้เพื่อตนถ้าใครยินดีกับเงินกับทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนแสดงอาบัตไม่ตกเรื่องสีขาบทเกี่ยวกับเงินกับทองที่เป็นของละเอียดนะเราหลงตาพาถืออยู่บันตาเนี่ย มีคนเขามีเจตนาดีมาถวายหมดทั้งวัดเนี่ยองนั้นเท่านั้นองคนั้นเท่านั้นองนั้นเท่านั้นท่านก็นมาเล่าให้ฟังเท่านั้นแหละท่านไม่ให้เราไปถือสิทธิ์ในสิ่งเหล่านั้นเราเล่าให้เราฟังเสร็จแล้วก็ของนั้นท่านก็เอาไปไว้เป็นกองกลางใช้สอยเป็นการส่วนรวมไมาใยึดถือว่าเรามีห้าเรามีสิบแล้วก็ยินดีในเงินนั้นโอ้วันนี้เขาถวายอีกแล้วยี่สิบอ๋อวันนี้เขาถวายอีกแล้วร้อย อ oh, วันนี้กขถวายอีกแล้วพันยินดีในจำนวนปัจจัยที่มีอยู่นั้นมันทำให้ใจเราเศร้าหมองลุงตาท่านว่ามันเป็นเข็มเล็กๆที่มันคอยแทงไว้ใจของเราเนี่ยลูกปัจจัยเรื่องเงินเรื่องทองเราจะไปให้ความสำคัญอะไรกับมันอย่าไปหาเรื่องใช้สอยบอกคนนั้นบอกคนนี้ขอคนนั้นขอคนนี้ อย่าหัดสร้างนิสัยแบบนั้นทำให้เราเสียมันเป็นเรื่องที่น่าละอายมากบอกเรียบเคียงใช้อุบายพูดเรียบเรียบเคียงเคียงให้เขาเห็นความอดอยากให้เขาเห็นความต้องการแล้วก็ให้เขาให้เขาให แล้วก็ให้เขาปรวารนาเนี่นี่เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะสิ่งเหล่านี้ถ้าหากมีความจําเป็นจริงๆในคราวในคราวจําเป็นจริงๆเจ็บไข้ได้ป่วยคราวจําเป็นจริงๆท่านให้ท่านให้ขอได้กับคนที่เป็นญาติกับคนที่ประวรณา ถ้าคนที่ไม่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาก็ไม่มีสิทธิคนที่เป็นญาติเรานี่เราบอกได้คนที่ไม่ใช่ญาติแต่เขาปวารณาอ่าถ้าผู้เป็นเจ้ามีความจำเป็นการใช้สอยเงินมีความจำเป็นปัจจัย มีมูลค่าเท่ากับสามพันบาทห้าพันบาทหกพันบาทเขาประวาตรณาอย่างเงี้ยแต่เราไปบอกเขาว่ามีเหตุจําเป็นจะต้องใช้เจ็ดพันบาทนี่เกินแล้วของเหล่านี้มีมูลค่าหกพันบาทเท่ากับที่เขาประวารณานี่เราไปบอกเขาได้แต่ถ้าเขาไม่ประวารณานี่ไม่ได้แล้วขอไม่ได้ ห้ามขอห้ามขอกับคนที่ไม่ใช่ญาติและคนที่ไม่ได้ประวาราณากับเราดูความเหมาะสมด้วยผมนี่บอกก็บอกเท่านั้นเนี่ยผมเนี่นะคุณเทวราเนี่ยเขาเป็นเจ้าของวัดแท้เนี่ยว่าถามาทางเราทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่เคยขอก็เลยนะไปถามเขาดูไม่เคยขอไม่เคยบอกไม่เคยขอ ว่าเราจำเป็นอันนั้นจำเปนน็นเราไม่เคยบอกเราไม่เคยขอยกเว้นแต่เขาถามเขาถามว่าปีนี้ท่านอาจารย์จะทำอะไรเอออันนั้นก็พังอันนี้ก็พังอันนั้นก็จำเป็นอันนี้ก็จำเป็นเขาเราบอกไปเขาก็คิดออกแล้วกุฏิหลังขนาดนี้เขาก็ให้มาเท่านั้นเท่านี้ให้มาเท่ า, ห า, ทาไหร่เราก็ไม่เคยตักทวง ห้องน้ำเท่านั้นทน่านี้ราคาเท่านั้นท่านี้เปลี่ยนแต่เราบอกเขาก็คิดออกแล้วแหละเขาก็ให้มาเราไม่เคยเราไม่เคยขอในหมู่เพื่อนเราบางคนบางองค์นี่อาถรรพมากเขาไม่ใช่ญาติเขาไม่ได้ประวรานวาแต่กล้าบอกกล้าขอเขานี่หน้าละอายไหม พิจารณาดีฟังให้ดีเรื่องสิ่งเหล่านี้หมู่เพื่อนในวัดนี้ผมดูแลใครมีความจําเป็นเจ็บไข้ใดป่วยจําเป็นเกี่ยวกับอาหารอะไรบ้างจําเป็นเกี่ยวกับเครื่องนุ่งหม่มอะไรบ้างจําเป็นเกี่ยวกับยาอะไรบ้างบอกมาจําเป็นเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับที่อยู่อะไรบ้างบอกมา เรารับรองไว้หมดเราไม่ให้เดือดร้อนใครอย่าไปหาเรื่องเดือดร้อนบอกขอเงินคนนั้นคนนี้นะไม่ได้นะแล้วห้ามมีเงินถือห้ามมีเงินอยู่ในครอบครองมันจะพากันเสียหายชีพหายหมด น, นั่นเลยเอานิสัยขี้ขอมาใช้นี่ไม่ได้เรียบเคียงไปจบ พูดให้เขาเห็นความจำเป็นและก็ให้เขาบอกให้ขอให้เขาภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้ให้เขาเรื่อมสายศรัทธาให้เขาจำเป็นเขาไม่ได้เรื่มสายศรัทธาเต็มร้อยให้เขาเกิดความจำเป็นและให้เขาถวายเท่านั้นเท่านี้ดูให้มีความละอายแก่ใจนะ สิครบทเกี่ยวกับเงินกับทองก็มีเงินทองนี้ต้นบัญญัติแท้ๆนี่พุทธเจ้าท่านไม่ให้เกี่ยวข้องเลยไม่ให้เกี่ยวข้องเลยไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเลยแต่ตอนหลังมาก็มีมีเมนทกาอนุญาตเมนทการอนุญาต <c oughs> เมนทกาเรเศษฐีเนี่ยที่เป็น ที่เป็นปู่ของนางวิสาขานี่แหละปู่ของนางวิสาขานี่เมธกาเศษฐีเมนเมธกาเ ส, ถ, าาเสถีเนี่ยเห็นความสําคัญของของผู้บวชผู้บวชมาในพระศาสนามีทั้งคนมีทั้งเสถียรมีทั้งกระดุมพีมีทั้งคนที่เป็นสุคุมาราชาติที่เป็นสุคุมอะไราชาติ หมายความว่าเป็นคนที่ละเอียดอ่อนว่างั้นเถอะการเป็นอยู่การใช้สอยการอะไรต่ออะไรนะจะแตกต่ตางกันอ่าก็เลยไปเห็นความจําเป็นว่าต้องใช้เงินต้องใช้ทองก็เลยไปขออนุญาตต่อพระพุทธเจา้าถ้าเผื่อเขาประวารณาขอให้ขอให้รับปากเขาไว้ได้แต่ไม่ให้ยินดีในเงินในทองให้ยินดีในมูลค่า ของที่จำเป็นที่จะเอามาใช้มาสอยโดยเฉพาะปัจจัยสีนี่แหละเป็นจีวรเป็นบิณฑบาตเป็นที่อยู่อาศัยเป็นคีฬาณะเพศัตวคืออยคือยาอันนี้ท่านให้ยินดีในปัจจัยสีท่านไม่ให้ยินดีในเงินในทองพระพุทธเจ้าท่านก็เลยอนุญาต ท่านเลยอนุญาตให้ให้รับได้ถ้ามีคนเขาประวารณาท่านให้รับได้เท่าที่เขาประวารณาโมลค่าปัจจัยเท่าไหรเท่าไร่เท่าไรเพราะฉะนั้นมันจึงมีใบประวารณานะไปอ่านดูที่ในใบประวารณาเนะี่ยปวารณาแปลว่ายอมให้ขอยอมให้ขอแต่การประวารณาของเขานี่มีสองอย่างหนึ่งปวารณาจํากัด จำกัดจำนวน 2. ปวารณาปวารณาไม่จํากัดจํานวน 3. ามปวารณาจํากัดการปวารณาจํากัดจํานวนปวารณาไม่จํากัดจํานวนปวารณาจํากัดการเช่นอย่างภายใน3ามเดือนนี้ผู้เป็นเจ้ามีความจําเป็นเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องอะไร ขอประวารณาไม่จากัดจานวน3เดือนหมายความว่าเข้าพษาสามเดือนเนี่ยอันนี้ก็คือคือจากัดเวลาแต่ไม่จากัดจานวนหรือตลอดพรรษานี้ประวารณากับผู้เป็นเจ้าเท่าราคาเท่าไรอะ่ะมันเท่าราคาเท่าไรอะ่ะมมืนตลอดพรรษาเนี่ยอันนี้จำกัดจำนวนด้วย จำกัดเวลาด้วยอขอเกินจํานวนก็ต้องอบัตยขอเกินเวลาก็ต้องอบัตยเราต้อง ร, รู้เรื่องด้วยนี่ขึ้นอีกคือปวารณาและคนที่ไม่ปวารณาแต่เราบอกขอได้คือญาติคนที่เป็นญาติถึงเขาไม่ปวารณา <c oughs> เราไปขอก็ได้แต่ขอไม่รู้จักประมาณอีกก็ทุกญาติแหลนดา เคยเห็นในสมัยพุทธกาลมีตำนานเนี่ยพิสุองหนึ่งชอบขอเนี่ยไปญ่านนี้ไปบ้านนี้ไปขอเขาคนเขาก็เข็ดลาไปเป็นแ ถ, แถวๆเลยหนักๆข้าวเขาเห็นแต่วัวแดงๆเหมือนกับพระมานี่เขาหลบเข้าบ้ า, บานหมดขนาดนั้นน่ะเห็นไหมเขาเดือดร้อนไหมกลัวพระจะไปขอมันมีสุภาษิตตัวอ่า ผู้ขอเป็นที่รังเกียจกับผู้ถูกขอเป็นที่รังเกียจของผู้ถูกขอผู้ถูกขอคือคือเป็นผู้ที่จะให้นั่นแหละผู้ขอเป็นที่รังเกียจกับผู้ถูกขอระวางให้ดีเรื่องเงินเรื่องท อ, องนี่เป็นเรื่องละเอียดอยู่วัดเราเนี่ยมีแขกมีอากันทุกข์กะมาน เราให้หมูถามจนเป็นธรรมเนียมแล้วแหละบางคนมาถามมีเงินเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่ถ้าจะพักสักกี่วันทั้นนั้นวันท่านนี้วันมีเงินเท่าไหร่ให้ออกไปสละไว้ให้โยมก็เอาไปให้โยมเ่ยเท่ากับเอาไปให้โยมเก็บให้พอถึงวันจะไปไปเรียกเอาได้ไงอย่างนี้ก็มีบางคนเราไปบอกบอกให้พาให้หมูไปพาสละ เช่นอย่างเท่าไหรเขามีเท่าไรสองพัเฮี้ยเขาก็ไปเสียสละเสียสละเสียแล้วเวลาจะไป <c oughs> เรียกหาและสองพั2000นั่นอย่างนั้นก็มีถ้าเราเลื่อมใสในสิกขาบทที่พระพุทธเจา้าทรงบัญญัตอย่างแท้จริงเนี่ยมันไม่อดไม่อยากหรอกไอ้แค่ความจําเป็นที่เราจะใช้จะสอยเกี่ยวกับเรื่องเงิ น, นขอให้เราเลื่อมใสศรัทธาและยึดถือปฏิบตัติตามนั้นอย่าง อย่างเคร่งครัดเถอะมันมาแบบเหลือเฟือมาแบบทับท่วมยิ่งเราไปแสดงความอยากได้เท่าไรได้นิดหน่อยต้องการได้เท้าโป๊ได้เท่าก้อยยิ่งต้องการมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้น้อยเพราะอะไรเพราะคุณค่าของตัวเองมีน้อย แสดงถึงความมีคุณค่าหมายถึงไม่บอกเลยไม่ขอเลยไม่ยินดีที่จะใช้เลยหมายความว่าเราข้ามมันพ้นไปแล้วข้ามพ้นจากความอยากใช้อยากสอยอยากบอกอยากขออยากอะไรตัวอะไรต่าต้องเลยนุ่นไปอ่ะมันถึงจะมีมันถึงจะเป็นเองมันถึงจะมาเองถ้าไม่ถึงขั้นนั้นแล้วโอ้โหฝืดเคืองเหลือเกิน ไม่เยอลองทำดูเถอะไปทุ่ดงกก็เหมือนกันกลัวแต่ทุกยากลาบากกันดานติดนู้นไปติดนี้ไปบางคนก็แอบใส่เงินไปในถุงกรดบางคนก็ใส ย, ย่ามตรงๆงไปเลยแหละกลัวทุกยากลาบากไม่มีค่ารถค่าลากลัวลําบากเดินเดี๋ยวนี้ใครเดินโบก อยู่ข้างรถข้างท า, างรถเนี่ยเราไม่ไม่จอดให้ขึ้นอ่ะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนั้นจอดให้ขึ้นอยู่แต่ถ้าหากเห็นตั้งอกตั้งใจเดินก้มเดินตั้งอกตั้งใจเดินจริงๆไปเนี่ยโอ้ยมีตึกจนเป็นเหียนลาคาเน่ะเดี๋ยวคนนั้นมาจอดให้ขึน้นเดี๋ยวคนนี้มาจอดให้ขึ 1950, разных, agner, agner, agner, agner, ้นเดี๋ยวคนนั้นมาจอดให้ขึ้นเราจะเดินเราจะเดินอเดี๋ยวคนนั้นจะมาจอดให้ขึ้นเดี๋ยวคนนี้จะมาจอดให้ขึ้น คอยตั้งใจถือปฏิบัติตามนั้นอย่างเคร่งครัดเถอะมันมีอานิสงส์จะเดินไปสัหน่อย ย, อ ย, อยืนโบกรถนละเดิน ย, ย, ยืนโอกรถแหละโอ้ยเขาไม่อยากจอดให้ขึ้นแหละบอกแล้วว่าต้องถึงขั้นทิ้งมันถึงจะเกิดอานิสงส์ต้องขึง้นถึงขั้นไม่พูดถึงเลยต้องถึงขั้นทิ้งต้องถึงขั้นลืม ต้องคุดถึงขั้นมองข้ามนะ น, น่ะอานิสงส์มันถึงจะเกิดเพราะฉะนั้นถ้าหากเรายังจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านี้นี่โอ้เราเป็นคนทุกขตะเขียนใจเหลือเกินทําไมสิ่งเหล่านี้มันทับท่วมหัวใจเหลือเกินวะมันทับถมหัวใจเหลือเกินมันทับธรรมลุงตาหวาเงินน่ะทับร้องทับจิตเนี่ยเงินมันทับใจเนี่ยเงินมันทับธรรม ทำร้องแอกแอกแอกแอกแอกร้ อ, อ, อ, องให้คนช่วยเพราะมันถูกกีเลศทับลูกตาท่านพูดมีการเทศอยู่ฟังฟังแล้วทั้งขำทั้งได้ข้อเตือนใจพวกเราตั้งใจใจะอยู่ฝึกฝนอบรมปฏิบัติให้ได้รับความสะดวกสบายในสมณธรรม เราอย่าไปให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นจนทำลายตัวเองนะทำลายความประพฤติของตัวเองดีไม่ดีไม่รอบครอบก็ก็ยอมผิดศีลถือนั่นแหละแอบถือแอบขโมยแอบขโมยถือนี่เราก็ได้ยินมาเหมือนกันที่ หมอปียรรถเน่แต่หมอียรรถนี่เขาฉลาดเขาคุ้มครองพระได้เขาคุ้มครองพระได้เ ข, ไดเขาฉลาดเขาเป็นเราได้ยินได้ฟังเออเราก็ได้ได้แรงใจอยู่พระต้องการตามใจใตัวเองแต่เขาไม่ให้เพราะมันผิดผิดธรรม ผิดศีลผิดธรรมเราก็ได้ยินฝังเขาลอยฟังอยู่ทําไมหมูเราทําไมถึงหยาบพนั้น <c oughs> ขายตัวเองขายหมู่ขายครูบาอาจารย์ฟังแล้วให้สลดใจนะเราไม่เคยคาดคิดว่าหมู่เราจะไปขายขายกันพนั้นขายหมูขายเพื่อนพนั้น จะอดจะเป็นใจยากอะไรจะเป็นจะตายอะไรกับยังงั้นเราได้ยินยทำไมเป็นยังงั้นวะฟังแล้วให้เคียดให้หลาให้เลิกให้หยุดที่พูดมีนะมีขอให้เราตั้งใจเจริญสํามาทธรรมเถอ มองให้เลยสิ่งเหล่านี้ไปให้หมดมันถึงจะเป็นเองอย่าไปกลัวอดกลัวอยากกลัวตายกลัวจะไม่ได้ใช้สิ่งนั้นตามใจชอบจะไม่ได้ใช้สิ่งนี้ตามใจชอบมองให้ข้ามไปให้หมดเถอะไม่งั้นก็ต๊อกต่อยอยู่อย่างนี้แหละไปไม่ถึงไหนแหละสิ่งกลายเป็นสิ่งเหล่านี้มาทับท่วมธรรมะในหัวใจหมด ธรรพลอยที่จะเจริญในหัวใจมันก็เจริญไม่ได้ดีไม่ดีก็แอ บ, บถือแล้วก็มาเข้าฟังปฏิโมกข์เนี่ยก็ทำให้หมู่เสียไปหมดเนี่ยสังฆกรรมเสียนะสังฆกรรมเสียยุคนี้เป็นยุคที่เขาทำในในพรรษานี่ยเขาทําอุโบสถสามคัคคีอุโบสถนี้ที่นั่น อุโบสถ้นที่น้อนอุโบสถน้นที่น้นแต่เราไม่เคยไปร่วมกับเขาสักครั้งเลยเรามาเห็นว่าโม่วนมากทําไมมีแต่ถือแต่เงินแต่ทองแสดงไม่ได้ไปแสดงอบัติไม่ได้เสียสละอะไรให้ถูกต้องตามสีขาบทวินัยบัญญัติเอาไว้แล้วก็แสดงอบัติไม่ตกเมื่อแสดงอบัติไม่ตกก็คือยังมีโทษอยู่ในตัวแล้วไปร่วมฟังปฏิโมกแล้วก็ทําให้กรรมนั้นน่ะเสียไปหมดแหละ หมู่เพื่อนพลอยเสียไปหมดเราคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้นะแต่เราไม่เคยไปพูดในชุมนุมสงฆ์ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ดอกเราก็คิดพูดในหมู่เรานี่แหละมันเป็นเรื่องเสียอย่มาเป็นสิบสิบวัดห้า0หกสิบวัด บางทีก็เป็นร้อยวัดเนี่หลายพ่อหลายแม่หลายจริตหลายนิสัยแล้วก็มันไม่บริสุทธิ์มันไม่ตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านท่านพาทำรรที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราพาทำนี่มันก็เป็นเหตุอดคิดไม่ได้เหมือนกันกลายเป็นอะไรไม่ลู้ พี่ไม่ดีก็แทนที่จะใช้เท่าที่จาเป็นกลายเป็นแสวงหาอีกด้วยซ้ำไปเราเคยเห็นเขาเดินสายเขาแสวงหาไหมไปด้วยความอยากอยากได้ไ่ของก็เอาไปเงินก็เอาบางทีจังหวะไม่เหมาะ เขาไม่ถวายก็ต้องมาบอกมาขออยู่ตามข้า ง, า ง, างทางเนี่ย ข, ข, างงา ข, ข้างทางงานข้างทางทางแสดงความหิวโหวยมันเป็นอะไรเนี่ยสแสวงหาปราดสแสวงหาความเป็นปราฏหรือสแสวงหาความเป็นเปรตเราดูแล้วมัน ลักษณะอย่างนั้นก็ความอยากเปรตความอยากเป็นสัญลักษณ์ของเปรตนะท่านบ้าเปรตเพราะฉนั้นเขายกตัวอย่างอทองเท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มเขามีข้อเปรียบเทียบคืออยากความอยากมันทับทั่วหวัวหัวจิตหัวใจเขาจึงมีอุปมาปากเท่ารูเข็มทองเท่าภูเขา กินยังไงดูดยังไงมันถึงจะอิ่มสักทีมันไม่ไมด้มีแต่หิวหิวหิวหิวหิวหิ ว, หวนั่นแต่เพศเรามันเป็นเพศปราดสวยงาความเป็นปราดแต่ถ้าตรงกันข้ามมันกลายเป็นสวยเป็นอะไรเป็นเพศความอยากความหิวโหยความไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเนี่ย ความเป็นเปรตแล้วก็ฟังฟังดูเถอะท่านพูดถึงเปรตนั่นเปรตมันหิวไม่รู้จักอิ่มกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่ ม, ไ, ไ, ม, มไม่รู้จักพอเนี่ยกิเลสในหัวใจของเรานั่นแหละมันทําให้เราเป็นเปรตทั้งๆ ท, ที่เป็นๆอยู่นี่แหละเสวงหาความอยากอยากแบบไม่มีเหตุไม่มีผลเราดูเราดูเถอะคนที่มีความอยาก ดินรนสแสวงหาแบบไม่มีความพอแล้วก็ไม่คำนึงว่าผิดชอบชั่วดีเอาหมดนี่คือเปรตมันหิวมันอยากมันอิดมันอดมันอิดมันโรยมันอดมันอยากที่เรียกว่าอดอยากยิ่งอดก็ยิ่งอยาก กำวาอดแล้วก็อยากในทันี้หมายถึงอะไรมีสมบัติเท่าสลากของทําสล่านี้ก็มันเข้าลักษณะอดอยากคือมันอดทำ ม, มันอดทำ ม, มันอดทำ ม, มันก็เลยมีแต่อยากอยากอยากอยากมันไม่ใช่อดของมันไม่ใช่อดของกินน่ะ ถ้าสมบัติเต็มสลานี้ยทำไมถึงอยาก่ว่าอดว่าอยากมันไม่เห็นเข้ากันนี่นะก็มันอดทํามันจนทนได้มาเท่าไหร่มันก็ไม่พอมันหิวกระหายไม่มีเต็มอิ่มสักทีแหละมันเข้าลักษณะเปลดนั่นแหละมันมันหิวไม่รู้จะพอกินไม่รู้จะพอได้ไม่รู้จะพอเพราะมันไม่มีธรรมมันไม่เป็นธรรม มันไม่มีเหตุผลว่าเอาไปเพื่ออะไรไม่มีว่าแต่อยากอยากอยากอยากอยากมีมากๆมีมากมากเพื่ออะไรมันก็ไม่บอกให้คิดกิเลสมันไม่สอนให้คิดได้หมดทั้งบ้านอยากได้สองบ้านอยากได้สามเมืองอยากได้หมดทั้งประเทศอยากได้หมดทั้งโลกมันพูดไม่ช้านั่แหละโลกหนึ่งแล้วไม่พออยากได้สองลก ส, สองโลกแล้วไม่พอมีกี่โลกสามโลกอยากได้ทั้งสามโลกมีกี่โลกก็ไม่พอยกให้ไปเลยกามโลกรูปโลกอรูปโลกยกให้ก็ไม่พอนั่นคือความอยากไม่มีเหตุผลนะความอยากของกิเลสมันในหัวใจไม่มีเหตุผลเราพยายามเดินตาม วิถีชีวิตที่บุธิเจ้าท่านส่งปลุกฝังเอาไว้เถอะดูต้นตอที่ท่านสอนเถอะต้นตอที่ท่านสอนความเป็นอยู่เราได้เพศนี้มาแล้วเราอยู่ยังไงจีวรท่านก็สอนชี้ไปที่ภาบังสกุลอาหารท่านก็ชี้ไปที่บินทบาทนั่น ผ้าบางสุกุลก็คือผ้าเปื้อนฝุ่น ป, ป, ปังสักุละปังสะปังสุปังสุปังสุกุละปังสุแปลว่าฝุ่นกุระแปลว่าผ้าแปลว่าผ้าเปือเป้อนฝุ่นผ้าบังสุกุลชีวรเครื่องนุ่งห่มชี้ไปที่ผ้าผ้าบางสุกุล และผ้าบางสกุลผ้าที่ไปเปื้อนฝุ่นเฉยมีที่ไหนก็ไปชักเอาผ้าที่เขาห่อศพนั่นแหละสมัยพุทธกาลมีปา่าช้าผีดิบเขาก็ห่อศพไปไปทิ้งแล้วก็ศกว่าจะเน่ากว่าจะเปือ่อยกว่าจะละลายหมดแล้วผ้านั้นเป็นอะไรล่ะมันก็มันก็อุม้มกลิน่นอุ้มอะไรสารพัดน่ะเอามาซักเท่าไหร่ครเวลาเหงื่อแตกมาก็มีกลิน่นซักเท่าไหร่ครแตกมาก็มีมีแต่ ก, กลิน่นเอาอะไรไปซักมันถึงจะระ ง, งับดับกลิ่นได้ โอ้เรามาคิดดูทํางไมกว่าจะซักเอามาตัดสบบกได้สักตัวหนึ่งเอามาทําจีวรได้สักตัวหนึ่งเอามาทําสังฆาติได้สักตัวหนึ่งมันลําบากยากเข็นขนาดไหนเราฟังดูนั่นแหละผ้าบางสกุลถ้าไมย่งนั้นก็ไปไปขี่เอาตามกองขยะกองขยะก็ต้องเป็นผ้าสกปรกแล้วแหละที่เขาเอาไปทิ้งนอิมังปองสกุ ล, ลจีวรรังอ่า อาศมิกลงไม้ห้างปาพุนาติผ้าเปื้อนฝุ่นผืนนี้ไม่มีเจ้าของย่อมถึงแก่ข้าพเจ้าอันนี้ต้นต่อแท้ๆนะผ้าเปื้อนฝุ่นผืนนี้ไม่มีเจ้าของย่อมถึงแก่ข้าพเจ้าไปชักดูแต่พระพาหิยะนะั่นแะไปชักผ้าบางสกุลในกองขอยนวัวที่เป็นมีมานเข้าสิงบัว มียักษ์ไปเข้าสิงวัวยักษ์ก็เคยเป็นอัศวตรูกันนั่นแหละไปเข้าสิงวัวแล้วมาชนตายอายุไขเขทาทำกรรมมาถึ ง, ตร ง, ต, ร ง, ต, รงตรงนั้นพอดียังไม่ได้บวชไปเคลียรผ้าเปื้อนฝุ่นเพียเคลียฟาดผ้าที่อกองขยะพุทธิยาไปซักเอาไปซั ก, เ อ, ซกเอาไปตัดเอาไปเย็บเอาไปย้อมเพื่อทำผ้าหนุมม่มผ้าห่มเพื่อที่จะได้บวชแค่ได้เพศนี่แหละแต่พระพายยะเนี่ท่านได้เปลี่ยนพระอรหันแล้ว แต่ท่านไม่เคยทาบุญเกี่ยวกับผ้าอา น, นิสงของผ้าถึงไม่มีไม่ลอยมาวังนั้น เ, เลยไม่ได้ถือเพศใจของท่านเป็นพระอรหันต์ท่านมรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วอายุไขของท่านก็มาถึงตรงนั้นพอดีวัวก็ไปยักก็ไปสิงวัววัวก็หา ก, กินอยู่แถวนั้นวัวก็เลยไปชนท่านมรณะภาพอยู่ตรงนั้นพระเจ้าเห็นก็ให้ประสงค์เนี่ยทศพ ทำสรีระทำชาปน ก, กิจสรีระของท่านพระพายะนี่แหละพระพายะเป็นผู้ตรัสรู้เร็วเป็นประเภทขิปปาภิญญาตรัสรู้เร็วฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเทศยังไม่จบหนึ่งคาถาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ได้รู้เป็นพระอรหรันต์บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระพายะเนี่ย เพราะบุปผยชาติชาติชาติใกล้ๆที่จะได้มา อ, อบัตเนี่ยท่านบำเพ็ญอย่างอกกุกฤษดั ง, งั้นเถอะเอาเป็นเอาตายเข้าใส่ธรรมะในใจของท่านก่ละเอียดลึกพอสมควรแล้วหมดอายุไขซะก่อนพอหมดอายุไขพอมาเกิดในชาติใหม่สมัยพุทธกาลเนี่ยตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าอของก่อนนั่นน่ะพอมา พบชาติสมัยพระพุทธเจ้าของเราท่านกเกิดในตระกูลพ่อค้าไปค้าขายทางทะเลเรือแตกเรือแตกเรือจมเพื่อนก็เลยเกาะแผ่นกระดานแผ่นหนึ่งเร า, เาไปตุ๊บปองตุบปองตุ๊บปอ ง, ปองไปขึ้นฝั่งที่ท่าท่าเรือเรียกท่าสุปารกะ ภาพผ่อนอะไรก็หลุดลุ่ยหมดเลยลอยมาในน้ำํำแต่ยังมีชีวิตอยู่กเกาะแผ่นกระดานลอยมาตุ๊บปองตุ๊บปองไปถึงท่าเรือก็เลยไปขึ้นคนเขาเห็นเขาก็เห็นว่าเอ๊คนนี้แปลกไม่นุง่งไม่หม่มเขาก็เอานุ่นมาให้เอานี้มาให้เอาอาหารมาให้เอาอะไรอะไรมาให้เอาเสื้อผ้ามาให้ไม่เอาเอาอาหารมาให้เอาก็เลยเอาวิธีนั่นแหละ เป็นวิธีเลี้ยงชีพเขาเอาเสื้อผ้ามาให้ลงไม่เอาเอาอาหารมาเอาให้เอาเขาก็เลยสําคัญว่าเป็นพระอรหันต์เขาทำความเคารพนับถือเป็นพระอรหันต์แน่เลยหลงหลงเพลินเลี้ยงชีพแบบนั้นแหละแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่ตายไปแล้วไปเป็นเทวดาเอ๊เพื่อนเรานี่ชักจะไปใหญ่แล้วหลงตัวเองไปใหญ่แล้วหลอกลวงเขาเลี้ยงชีพไปใหญ่แล้วก็เลยมาเตือนมาบอกอ บอกว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าอบัตแล้วอยู่ที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นให้ไปเฝ้าพระองค์เพื่อฟังธรรมรพระพายักษเลยไปไป พ, พุทธเจ้ากำลังบินท้าบาทขอฟังเทศขอหนึ่งครั้งพระองค์เขาไม่แสดงขอครั้งที่สองก็ไม่แสดงพกขอครั้งที่สามก็บอกด้วยว่าข้าพระองค์ไม่แน่ใจเลยว่าชีวิตของข้าพระองค์จะยืนยาวไปเท่าไหร่ขอพระองค์ได้โปรดเมตตาแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ในบัดนี้ ที่เจ้ากหลังแสดงธรรมอยู่พระองค์ก็เลย อ, อย่างนั้นเถิดตั้งใจฟังเราจะแสดงธรรมให้ฟังนะเห็นสัจเถรว่าเห็นได้ยินสัจเถรว่าได้ยินได้กลิ่นได้สัมผัสนะสักเถทว่าได้กลิ่นสักเถรว่าได้สัมผัสฟังอยู่แคนี้คำว่าสัจเถรว่าสัจเถรว่าความยินดีมันไม่เกิดความยินร้ายมันไม่เกิด โดยเหตุที่จิตของท่านละเอียดท่านมันลุ่มทำปึงป้งปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งสุดไปเลยพ้นไปเลยนี่พระพายยะอพระพายยะนี่ท่านพูดถึงเราพูดถึงเขีย่ยผ้าเขี่ยผ้ามาทําผ้าจีวร น, นั่นแหละเรามาพูดถึงทุกวันของเราพวกเราไม่อดไม่อยากผ้าเหลือเฟือเตรียมไปหมดมันไม่อดไม่อยากอะไรเราไม่เห็นเดือดร้อนหลายเรื่องผ้า อาหารเราก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเรื่องอาหารโดยเฉพาะวัดไหนวัดไหนมีโรงครัวถ้าไม่มีโรงครัวก็ไปบินธบาตข้างนอกอาหารก็ได้มาเหลือเฟือเขาใส่เป็นถุงเป็นถุงเป็นถุงเป็นถุงแม้แต่วัดใหม่เนี่ยวัดบัวแก้วเราไปบินธบาตอาหารมันมากกว่าข้าว อ, อีกอาหารก็ใส่มานพวกมอรพวกพมา่าที่มีบ้านอยู่แถวนั้นะใส่ ไม่จําเป็นต้องมีโรงครัวอาหารเยอะเต็มไปหม ด, ไ ม, ดไม่อดงานแล้วเรามีความจําเป็นอะไรจะต้องไปซื้ออาหารไม่มีจีวรก็ไม่มีความจําเป็นอะไรต้องไปซื้อจีวรอาหารไม่มีความจําเป็นอะไรต้องต้องไปซื้ออาหารที่อยู่เขาก็สร้างให้อยู่ไม่อดไม่อดไม่อ่านจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนหลังไหนอาคารไหนกี่ชั้นเอากี่ห้องกี่หับไม่อดไม่อัานยารักษาโรค ยารักษาโรคมีความจาเป็นอยู่ถ้าเป็นโรคนุ้นเป็นโรคนี้เป็นโรค น, น, รคนี้เป็นโรคนั้นเราก็อยู่เป็นหมูเป็นพวกก็ไม่อดไม่อยากอย่างวัดเราเนี่ยใครเจ็บใครได้ป่วยอะไรมาก็บอกกันไปจำเป็นจะต้องเสียเงินเสียทองเสียอะไรเราก็เอาไปได้แต่อย่าไปหาขอแบบผิดผิดแนวผิดแถวอย่าไปหาบอกแบบผิดผิดสินผิดธรรมผิดแนวผิดแถว อย่าไปขโมยแอบขอมาแล้วก็มาเก็บมาไว้ใช้สอยแอบสั่งนู้นมาแอบสั่งนี้มาไม่ได้ผิดในเมื่อเราต้องการสินเราต้องการทำเราต้องพยายามรักษาสินให้บริสุทธิ์ถ้าสินไม่บริสุทธิ์โอกาสที่ทำจะเกิดขึ้นก็ยากเกิดไม่ได้เลยแห ล, ละเพราะตัวนี้มันขวางเอาไว้แล้วจิตไม่ซื่อจิตไม่ตรงรวมไปถึงจิตไม่เป็นธรรม ทำที่ไหนมันจะมาเกาะแตกกระเจิงไปหมดละ่ะทําไม่มามากเกาะหละความสงบนิดเดียวก็สงบไม่ได้ถูกกิเลสมันยุกมันแย่ไปเลยมันขยเยาทําแตกกระเจิงหมดกิเลสมันแย่เข้าไปในหัวยใจของเราเนี่ยแย่เข้าไปแล้วมันขยเยาแตกกระเจิงไปหมดละ่ะไม่มีอะไรหลงเหลือละ่ะพวกเรารักสมณธรรม พยายามเจริญรอยตามอย่างน้อยครูบาอาจารย์เราพาดาเนินนี่พยายามเจริญรอยตามนั้นตายก็ช่างมันเถอะอย่าไปผิดศีลอย่าไปผิดธรรมอย่าไปผิดแบบแผนที่หมู่เพื่อนครูบาอาจารย์ที่ท่านพาทำมาอย่างดิบดีอย่าไปฆ่าหมู่อย่าไปฆ่าท่านอย่าทำลายตัวเองให้ระวังที่สุดใครระวังไม่ได้ ใครไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้ห้ามยุ่งเด็ดขาดเรื่องเงินเงินทองทองมันเป็นเข็มเล็กๆห ล, ลงตาท่านพูดบ่อยพูดเสมอเป็นเข็มเล็กๆที่มันคอยแทงหัวใจถ้าระวังได้เราก็ใช้สอยตามที่ท่นานพาทำเออมีใบปวารณาถาวายมาก็มีใบปวารณาไปถือ แม้ธนบัตรนี่ครูบาอาจารย์เราก็ถือไม่ให้ไม่ให้จับธนบัตรกับเช็คเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะธนบัตรกับใบประวาราณามันไม่เหมือนกันนะธนบัตรกับไอ้ไพรส์นีบัตรเนี่ยมันไม่เหมือนกันธนบัตรเอาไปซื้อได้เลยอย่างอื่นต้องเอาไปแลกซะก่อนเพราะฉะนั้นอย่างอื่นท่านจึงถือได้ท่านพาถือ แต่ท่านนับัตรเนี่ยท่านไม่ให้ถืออันนี้ก็ยังเป็นระเบียบแบบแผนให้พวกเราได้เห็นอยู่แต่พวกเราก็ยังดื้อกันอยู่ให้ซ้ำเหนียกให้ระวังนะตั้งใจถือให้จริงๆเถอะมีอา น, นิสงส์เห็นมาแล้วอา น, นิสงส์พยายามถือมอให้เลยไปนั่นไปทำใจให้เลยนั่นไปมันไม่อดไม่อยากหรอก ถึงมันอดมันอยากแม้แต่อาหารมีอยู่เต็มสลากทุกวันเนี่ยเราก็อดกันอยู่แล้วอย่าไปคิดหาเงินได้เท่านั้นแล้วไปเอานั้นมาหาเงินได้มาเท่านี้เราไปเอานั้นมาสิ่งเหล่านั้นมันส่งเสริมศีลธรรมเราไหมส่งเสริมศีลเราไหมส่งเสริมธรรมเราไหมเอามาแล้วมาทําลายเวลาเราไหมทําให้เราเสียเวลา กับการตั้งใจภาวนากับการตั้งใจชำระขัดเกลาหัวใจของเราไหมก็ควรจะคานึงคานวงพิจารณาให้ดีธรรมะที่มันเจริญในใจนะ่ยมันเจริญจากการที่เราตั้งใจสำรวจ ร, ร, ระมัดระวังรักษาศีลให้ให้ยิ่งจากการที่เรามีความเพียรหมุนภายในใจของเราอย่างยิ่งธรรมะเหล่านั้นถึงจะเกิดขึ้น ไม่ให้เกิดขึ้นจากการมีใช้มีสอยอย่างฟุ่มเฟือยเหลือเฟือแล้วธรรมะเหล่านั้นจะเกิดขึ้นธรรมะยิ่งแตกกระเจเขก็ไปอีกละเสร็จแล้วเราต้องการอะไรอ่ะในเมื่อเราต้องการสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับคาวาสเขาเขาแสวงหาอยู่แล้วเพศของเราเป็นเพศแสวงหาธรรมข้อใดวิธีใด คำบอกสอนใดที่เป็นไปเพื่ออัดเพื่อทำวิธีการใดที่ท่านพาดำเนินเราพยายามยึดข้อนั้นพยายามตั้งใจปฏิบัติตามข้อนั้นพยายามถือให้เคร่งตามข้อนั้นตามธรรมตามวินัยถ้าหากมันผิดไปจากนี้เราจะได้รับความอุ่ น, นใจจากอะไรเราจะได้รับกำลังใจจากอะไร เราย้อนไปดูเราได้กำลังใจจากอะไรได้กำลังใจจากเรามีอยู่มีกินมีใช้มีเสื่ออย่างสะดวกสบายแลวกับสิ่งที่ทำลายเว ล, เวลาเราเป็นวันเป็นวันเป็นวันไปเลยจะได้อะไรมันไม่ได้อะไรแหละให้พึงสำเนียกระวังทุกคนพวกเราที่อาศัยอยู่ในวัด บางทีก็หมูก็เยอะๆพวกก็บางทีพวก็อดคิดไม่ได้เอ๊ะใครแอบขโมยมาถึงเงินถือทองถือไหลไหมมันจะเป็นเหตุทำลายปฏิปทาครูบาอาจารย์ไปเรื่อยๆนี่วันนี้ถึงพูดถึงกล้าพูดเนี่ยให้หมูได้คิดได้อ่านกันนะ ถ้าเราตั้งใจจะแสวงหลับสักการะเนี่ยมันได้ได้นิดเดียวครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เราแสวงอัดสเวรรสว่งรำเสวงหาอัดแสวงหาธรำเสวงหาอาริยทรัพย์เมื่อเรามียอริยทรัพย์แล้วทรัพย์เหล่านั้นมันก็วิ่งตามเราคนทั้งหลายเขาอยากได้บุญจากคนที่มีบุญ ในเมื่อเราตั้งใจรักษาศีลตั้งใจประพฤติธรรมตั้งใจปฏิบัติธรรมเราก็มีบุญคนเขารู้เขาเห็นคนมีหูมีตาคนเขาฉลาดเขามองเขารู้เ็าเห็นเขาก็ทำยังไงทำจเจริกว่าเนื้อนหนาบุญเนื้อนหนาบุญคนเขาทำบุญเขาฉลาดเขามองยิ่งเราไปแสดงกิริยาให้เขาเห็นเป็นพระด้อยค่าด้อยราคา ขายไม่ออกขายทอดตลาดก็ไม่ออกเป็นผู้ไม่มีบุญคนที่อยากได้บุญเขาก็ไม่เอาละเขาไม่เอาอะไรไปแลกแหละแห้งคือเกา่าแห้งเหมือนเดิมคนทั้งหลายเขาอยากได้บุญเขามาทำบุญก็คือเขามาแลกบุญเอาของนู่นมาเอาของนี่มาก็คือเขามาแลกบุญ เราไม่ทําตัวทําตัวไม่เหมาะสมกับบุญที่เขาจะได้ไปนี่ไม่มีบุญให้เขาก็เป็นหนี้เขาอีกนอกจากนั้นแล้วเขารู้เขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่ทำเขาก็ไปทําใน ท, ที่ที่มีบุญดูที่เราดูหลวงตาดิบุญท่านมากมายมหาศาลเห็นไหมคนหลังไหลเอาไปเอาบุญกับท่านเห็นหม เอาบุญอยู่เฉยมันไม่ได้ดอกมันต้องมีของเป็นแรกเอาเข้าปลาหารเอาจตุปัจจัยไปแรกก็คือไปทำบุญประท่านนั่นแหละเนื้นาบุญเนื้นาบุญกลายเป็นเนื้นาที่ไม่มีบุญเหมือนเนื้นาหินแฮ่เนื้นาดินเกลือเนื้นาดินกระต่าย ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเนื้อนาหินแห่เนื้อ น, า, น, น, อนามีแต่แฝกหญ้าแฝกหญ้าขาดเอาอะไรไปปลูมัย่าขึ้นเนื้อนาไม่มีบุญเราทำตัวเป็นเนื้อนาไม่มีบุญในขณะเดียวกันเราก็สแสวงหาโอ้ยมันั้งฝืดั้งเคืองกว่าจะได้กับไอ้ที่เราทำสบา ย, บายตัวเราเองก็ได้อัดได้ทำ คนอื่นรู้เห็นเขาก็อยากได้บุญเขาก็ตั้งใจมาทำบุญตัวเองก็ได้ประโยชน์คนอื่นมาเกี่ยวข้องก็ได้ประโยชน์เราคิดได้อย่างนี้เราก็ทำแบบนั้นเอามันยากลำบากขนาดไหนเราก็ตั้งใจทำเอานี่พวกเราเรื่องเหล่านี้มันน่าคิดเดี๋ยวนี้ความคิดแบบนี้มันกินไปหมดแล้วแหละถือเงินและชันเพลน มันกินไปหมดแล้วกรรมฐานเนี่ยจะเป็นอย่างนี้การเกือบหมดเลยนะต่อไปจะเป็นเราเปล่าเราลองคิดดูในใจของเราถ้าเราไม่รักษาให้เหนียวแน่นมันของมันจะเป็นนะถ้าไม่มีหลักตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมันจะเป็นแล้วมันได้อะไรมันต่างอะไรกันกรรมฐานนี่แหละถือเงินฉันเพลิมันก็หมดทั้งตัว หมดั้นแล้วไม่มีอะไรเหลือหละมันระบาดไปหมดแล้วสีไหนสีไหนของบ้านของเมืองมันระบาดไปหมดแล้วถ้าเราไม่ระวังเรื่องเหล่านี้ต่อไปก็คือเราเนี่ยแหละมันจะมีอะไรหลงเหลืออยู่ลูกสารยอมเขาตั้งใจแสวงหาบุญ ไม่ซ้ำรวมเร้ระมันระวังกันให้ดีโยงเขาฉลาดเขาดูเขาดูาดออกเขาดูเป็นไม่ได้กินน้องเขาดอกอดคือน้ําลายตามเขาแหละวิธีที่ดีที่ถูกว่านั้นครูบาอาจารย์พาทำพาถืออยู่สมัยไม่ตั้งใจทําไม่ตั้งใจเอาไม่เอาอย่างอื่นแหละเอาเอาศีลเอาทำอย่างเดียวนี่แหละเดี๋ยวมันจะมาเอง ไม่ให้ความสําคัญมันแหละเดี๋ยวมันจะวิ่งตามเราเองแต่ไปความสําคัญมันไปหาแต่มันตัวเองทําแห้งผากมันจะได้อะไรเป็นเครื่องดูดมันไม่มีมันไม่มีนแม่เหล็กเป็นเครื่องดูดจะมาได้ไงมันไม่มาท่านจึงให้มักน้อยให้สันโดดสันโดดนี่เป็นธรรมนะ ได้มากเราก็ยินดีโดยธรรมยินดีด้วยพระด้วยกำลังของตัวเองได้น้อยก็ยินดีด้วยพระด้วยกำลังของตัวเองดยเรี่ยวแรงของตัวเองดยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองได้มากก็ยินดีเราก็ไม่ผิดได้น้อยยินดีเราก็ไม่ผิดเพราะมันไปจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเรา บุญวัฒนาเราน้อยแค่นี้เราได้แค่นี้เรายินดีแค่นี้เราพอใจแค่นี้นั่นกลายเป็นคนมีสันโดษแตม่มันมีสิ่งละเอียดมากไปกว่านี้อีกก็คือมักน้อยคาว่าสันโดษได้ได้สิบก็ยินดีทั้ง10บแต่มักน้อยได้10บยินดีแค่หนึ่งอีกเกไปแบ่งหม่เห็นไหมมักน้อยมักน้อยเป็นธรรม ละเอียดลึกเข้าไปอีกถึงกระนั้นก็ตามสันโดษพระก็ยังใช้ได้โยมก็ใช้ได้แต่มักน้อยเนี่ยพุทธเจ้าท่านจะสอนกับพระเป็นส่วนมากสันโดษท่านสอนทั้งพระท่านสอนทั้งโยมเพราะมักน้อยมันเหมาะกับเพศกับภาวะของประสงค์ประสงค์อาศัยคนอื่นอาศัยผู้อื่น ถมา ก, กมกมันก็ลําบากมา ก, ก, กน้อยพอดีพอดีพออยู่พอเป็นพอไปแต่ฉันโดดเนี่ยได้เท่าไหร่ก็ยินดีเท่านั้นก็ไม่ผิดแต่ต้องได้ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยพร ะ, ะกําลังของตัวเองโดยบุญของเราเองเพรางั้นเถอะได้มากเราก็ยินดีตามมากได้น้อยเราก็ยินดีตามน้อยมันไม่เป็นโทษได้น้อยไม่ยินดีอ้าวกลับเป็นอิจฉาคนอื่นละคนอื่นเขาได้มาก คนทุกวันนี้ไม่ไม่มองดูบุญของตัวเองมองดูคนอื่นแล้วก็เบียดเบียนเบียดบังเกะกะระรานรุกรานช่วงชิงแยง่งเห็นไหมเขาแย่งลาบแย่งยศแย่งเกียรติแย่งตําแหน่งแย่งเงินแย่งทองแย่งอะไรต่ออะไรสลับพัดกันเนีเขาแย่งกันเขาไม่ได้ ไม่ได้มองดูคุณสมบัติของตัวเองเขาไม่ได้มองดูบุญของตัวเองเขาไม่ได้มองดูคุณของตัวเองมองดูคนอื่นเห็นคนอื่นเขามีก็อยากมีแ ย, งแยง่งเอาเขาแย่งเอาชิงเอาปล้นเอาล่อลวงช่อโกงเอาหาเรื่องเอาชนะอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะได้ แต่ผู้ที่ท่านมีบุญท่านมีบา ร, รมีมันมาเองผู้ที่มีธรรมเท่านั้นผู้ที่มีศีลที่มีธรรมคือเป็นผู้ที่มีบา ร, รมีด้วยตัวของตัวเองได้โดยกําลังได้โดยเนื้อหนังของตัวเองมันไม่เดือดร้อนนี่พอเป็นข้อคิดสลับหมู่เอาไปพิจารณา แสวงหาอาดหาธรรมอย่างเดียวอย่างอื่นเนี่มันมาเองแสวงหาลาบสักการะก่อนธรรมะหนีก็เจิงหายหมดอย่าไปหวังว่าจะได้ไม่ได้หรอกให้แสวงหาอดหาธรรมอย่างเดียวอย่างอื่นทิ้งให้หมดอาศัยเมตตาอย่างเขานี่มรนไปเนี่ยเราก็อาศัยเมตตาเขา สงสารเขาถ้าเราเห็นแก่เงินแก่ทองไปอะมันไม่คุ้มดอกไม่คุ้มไม่คุ้มเหน็ดคุ้มเหนื่อยไม่คุ้มเป็นคุ้มตายเหมือนอย่างเราไปกรุงเทพงีนะ่ถ้าเราเห็นแก่เรื่องเหล่านั้นอ่ะมันไม่คุ้มดอกมันไม่คุ้มเหนื่อยดอก ถ้ามันไม่มีเมตตาเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันไม่ไปหรอมันไปไม่ได้หรอกไม่ให้ความสำคัญไม่ให้ความสงสารไม่ให้ความเมตตาความเมตตาความเกี่ยวข้องความผูกพันการเห็นใจสิ่งเหล่านี้ต่างหากมันเป็นเครื่องผูกไม่งั้นไม่รู้จะไปทาไมมันไม่คุ้มเหนื่อยไม่คุ้มเป็นคุ้มตาย มันเป็นการเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายการเดินทางแต่ความเมตตาแล้วก็ตายก็ไม่เป็นไรสงสารดูที่ใจของท่านมีใจเราก็มีเหมือนกันดูเข้าไปสิมันมีอยู่พยายามทำให้มีกันแล้วกันเชื่อว่าทุกคนมีเมตตากรุณาเมตตา อ, อไปขาเหมือนกัน เอามันออกใช้เอามันออกใช้เกิดประโยชน์ใช้กับโม ก, กับเพื่อนกับพวกกับพ้องผู้เกี่ยวข้องผู้ใกล้ชิดไม่เอาแต่ฟืนแต่ไฟใส่กันเอาน้ำเย็นสะอาดใส่กันมันก็พอได้ชุ่มได้เย็น กับเอาน้ำร้อนสะใส่กันเป็นยังไงมันชุ่มเย็นไหมน้ำร้อนอะ่ะมันลวกมันวิ่งมันดิ่นกันถลอกปอกเปิงตัวธรรมะสิ่งเดียวที่เราเจริญแล้วมีแต่เราอยู่เย็นเป็นสุขคนเกี่ยวข้องก็อยู่เย็นเป็นสุขก็คือธรรมะข้อนี้แหละ เมตตาการให้สิ่งนู้นสิ่งนี้อะไรต่ออะไรกันกมันก็ไปจากเมตตาความขอรบความเคลื่อนหนุนกรุณาเห็นเขาทุกอย่างลําบากเออพอจะช่วยได้บ้างก็ช่วยมุติตาเห็นเขาได้ก็พลอยินดีกับเขาอย่าไปอิจฉาเขาพอถึงอุเบกขาแล้วโอ๊ยกรรมของสัตว์โอ๊กรรมของสัตว์ กามสกโอมิกรรมดายาโดกรมโยนิกรรมบันทุกรมปฏิสารโนสารนามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกรรมเหมือนมีกรรมเปียเผ่าวพันุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมดีหรือชั่วเอาไว้จะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นพอปรงมาถึงกรรมมันเป็นเรื่องละเอียดถ้าเราจะเทียบก็เป็นเรื่องของปัญญาเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของปัญญา พิจารณาอย่างเข้าไปถึงที่กรรมเข้าไปถึงที่กรรมก็ไปถึงความเกี่ยวข้องกับหลักของสัจธรรมพิจารณาเข้าถึงถังพิจารณาถึงกรรมกรรมของเขาช่วยแล้วก็วแล้วช่วยแล้วก็วแล้วช่วยยังไงก็ไม่ได้เมตตาก็แล้วกรุณาก็แล้วมุทิตาก็แล้วโอ้ยมกรรมของสัตว์กรรมของสัตว์ ถึงจะยืนดูก็ไม่ใช่ยืนดูอย่างใจจืดใจดํายืนดูอย่างรําพึงรำพันธ์ได้อัดได้ทําลงลงในหลักของกรรมเพราะทุกคนมาด้วยกรรมอยู่ด้วยกรรมและก็จะไปด้วยกรรมกรรมก็ ค, คือผลทั้งเหตุทั้งผลที่จะของทำเอาเอง เราทำเหตุอันใดไว้ผลก็อันนั้นแหละตามมาทําเหตุอันใดไว้ผลก็อันนั้นก็ตามมาทําเหตุอันใดไว้ผลอนั้นก็ตามมายามศึกษาตรงนี้ดูตรงนี้พยายามเข้าใจตรงนี้ดู้ว้ออกทํา ใ, าให้เข้าใจพิจารณาเข้าใจตรงนี้ก็วั น, นบโบสถตรงนี้ปฏิโมกนะแล้วก็มา มาแล้วก็อย่าลืมสังขาอย่าลืมอะไรเอาไว้ที่กุติเอามาด้วยใครอยู่ใกล้กันยังไม่ลุกยังไม่ตื่นก็บอกกันปลุกกันที่สี่ที่สีก่กว่าๆว่ามาทำวัดสวดมน์เหมือนอย่างที่เราลงมาทุกวันนี่แหละทำวัดสวดมน์ถ้ายังไม่ได้เวลาก็นั่งภาวนาคอยได้เวลาแล้วก็สวด ปฏิโมกที่วันเราเราสวดตอนตอนเช้าทุกวันทุกวันทุกครั้งสวดแล้วก็แล้วกลางวันตอนค่ำเราก็ไม่ต้องยุ่งพราะสมควรแล้ว